มันมีอยู่สองอย่างคือสงสัยกังงมันเริ่มเงียบแล้วอีพระเขาจะทำอะไรกันว่าเรื่เริ่มสงสัยแล้วข้อที่สองเลยงงงงก็เลยเงียบอย่างเงียบก่อนดีกว่าเผื่อพระเขาจะพูดอะไรบ้างเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็นั่งรอโ ย, ยมก็เงียบได้เนาะโดยที่ไม่ต้องพูดโยมก็เงียบได้แสดงว่าไม่ต้องท่องคาถาก็ได้ผลแล้ว คืองงอะสงสัยพระจะทำอะไรกันมันนั่งเลี้ยงแถวหน้าสลอนเลยโยมดูหน้าดูตาไว้ให้ดีนะพี่หน้าอาจน่าจะเปลี่ยนไปก็ได้โดยเฉพาะอาจารย์ออสพี่หน้าอาจจะไปศสลกรรมหน้าก็ได้เห็นบอกจะไปญี่ปุ่น จ, จะไปเกาหลีเห็นไหมโยมยังรู้เลยจะไปเกาหลีไม่รู้จะไปศิลยกรรมไปตัดคางหรือจะไปเสริมดั้งหรื อ, อยังไงโยมดูหน้าไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเผื่อปีหน้ายมมาและยมจําหน้าไม่ได้เนี่เพราะหลวงพ่อออด <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเขาแค่อยากให้หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปีชาไม่ได้มาทอกโชนะ <c oughs> ไม่ได้มาโชลําตัด <c oughs> หรือไม่ได้มาเสี่ยงบารามีไม่ใช่ก็จะให้พูด กับญาติโยมสักเล็กน้อยแก้วแต่จะพูดอะไรก็ได้เพื่อเป็นคติเตือนใจโยมจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านต่อว่าเราจะมาเจอกันอีกทีงก็ปีหน้าแต่ถ้าปีนี้กลับไปใครตายปีหน้าก็ไม่ได้เจอกันอีก <c oughs> สังขารมันไม่แน่นอนโยมนี่อาตมาเองก็สองวันนะพระวันนั้นลุกไม่ไหวตื่นไหวแต่ลุกไม่ไหวนะใจมันสู้แต่สังขารมันไม่มาเนี่ยลุกไม่ไหว จะลุกเดินมาทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งล้าไปหมดบอกไม่ถูกเลยนอนมันเลยอยากเมื่อยดีนักก็เลยไม่มาเลยเมื่อวานยันนีกจะขึ้นทาวัดขึ้นไม่ไหวอีกเป็นไข้ยาก็หลายขนาดเหลือเกินโยมเอ้ยตั้งแต่หัวค่ำแล้วหลวงพ่อจะเอาอะไรดีมีไทริโนนกระทิบฟี่พลดนถึกมียามาอีกหัวมืดค่ำๆต้งหน่อยยามาจากญี่ปุ่นหลวงพ่อต้องกอกปากแล้วกินน้าตามโอ้โหโยมเอ้ยมันขม ต้องติดปากติดลิ้นติดคอบอกไม่ถูกเลยยาอะไรเขาไม่รู้เขาบอกว่ามีคนกินแล้วหายนะเจ้าค้าเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยยอมกอบเนี่ยยมกอบกินก็หายนะเจ้าค้าแล้วสักพักเดี๋ยวยาเ้ามาอีกจัดไม่ชุดใหญ่ต้องกินยาฆ่าเชื้อในลำคอต้องกินยาแก้ไขมาอีกชุดนึงอีกก่อนจำวัดเมื่อคืนตื่นเช้ามาก็เจออีกชุดนึงอีกเพนก็เจออีกชุดนึงอีก เย็นมายาเยอะแยะไปหมดเลยจนไม่รู้ว่าจะเอายาไหนแล้วโยมก็บอกหลวงพ่อฉันยายนี้เราห้ามฉันยาอื่นนะก็ เ, เลยฉันไม่ถูกเลยโยมไม่รู้จะฉันยาไหนพอตกเย็นมันก็ร้อนๆ้นห น, นาวหนาวคอก็เจ็บนี่อะไรก็ไม่รู้เอมมิโลซานหรืออะไรสักอย่างฉีดหลวงพ่อฉีดอันนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเนี่ยฉีดมั้งแต่ร้อนเย็นนะแต่มันก็ชุ่มคอเฉยๆนะ อยลองฉีดทั้งคืนไมในคืนนี้มันจะดีไหมฉีดให้หมดขวดเลยเอ็มมิโรซานเอ็มอะไรเขานี่แหละนี่มันก็ยังร้อนร้อนหนาวหนาอยู่นะโยมร้อนข้างนอกหนาวข้างในร้อนข้างในหนาวข้างนอกอยู่อย่างเงี้ยมึงบอกไม่ถูกเลยไอ้บางคนก็บอกหลวงพ่อไปหาหมอเถอะหลวงพ่อไปโรงพยาบาลเถอะไอ้คนนี้ก็เอายาอมอะไรก็ต้องดิฟเฟกต์ดิฟเฟกต์อะไรก็สารพัดยาเยอะแยะไปหมด จนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนบอกพรุ่งนี้ก็ออกแล้วไม่เป็นไร <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องทำหน้าที่ก่อน <c oughs> ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราอยู่จนครบแล้วคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วอาจจะเราจะได้มาเจอกันก็ปีหน้านั่นแหละมันจะได้มีโอกาสไหม่กงมานั่งคิดนั่งพิจารณาว่าโอ้โหชีวิตเราเนาะถ้าไม่เห็นความทุกข์ไม่เจ็บป่วยไม่ไข้จะไม่รู้สึกเลย ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงความป่วยไข้มันเป็นยังไงโอ้โหมาคิดถึงทุกคนก็จะให้ไปแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวดีนะั้นไม่ยัดไม่ยัดเข้าเมนเลยนะไปโรงพยาบาลเถอะหลวงพ่อไปโรงพยาบาลทุกคนก็ยัดเยียดอย่างเดียวทุกคนเขาก็หวังดีนะอยากให้หายไปโรงพยาบาลเถอะไปหาหมอเถอะไปตรวจเถอะเป๊ะเดียวนี่เลยมาเปรียบเทียบไปมาเปรียบเทียบมาโอ้โหชีวิตยิ่งกว่าโรงพยาบาลอีกเนี่ยเหมือนโยมที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย สถานที่เนี้ยเปรียบเสมือนโรงพยาบาลใหญ่หญเลยหลวงพ่อปี่ชาท่านเป็นนายแพทย์ใหญ่ไนหะมเออหลวงพ่อปี่ชาท่านเป็นนายแพทย์ใหญ่สนุนพระลูกวัด น, นี้ยก็เป็นหมอไปหมอประจําโลกเป็นหมอรักษาใจรักษาฟันรักษาหูรักษาปากอะไรก็ว่ากันไปนาไส้อะไรก็ว่ากันไป เนี่ยพระลูกวัดเนี่ยที่ส่งไปเป็นเจ้าวาก็เปรียบเสมือนเป็นหมอส่วนแม่ชีก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดเช็ดถูหาอาหารทำกับข้าวคอยให้เราได้กินได้ทานกันให้พระได้ฉันกันเนี่ยแม่ชีก็เปรียบเสมือนแม่บ้านเลยเหมือนแม่บ้านส่วนโยมที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนป่วยเวลาคนป่วยกันลกหลายโรคเหลือเกินถ้าป่วยทางกายยังไม่เป็นไร ป่วยภายนอกดังรักษาหายง่ายเพราะเราเห็นแผลรู้ว่าแผลอยู่ตรงไหนสะเก็ดมันอยู่ตรงไหนเราใส่ยาเดี๋ยวมันก็หายแต่เราป่วยทางใจป่วยทางใจรักษายากที่สุดแล้วรักษายากมากพอเราป่วยทางใจไม่รู้จะรักษาอย่างไงเราก็ดิ้นลนมาด้านน่นมาเราลงมาหายาทานเราลงมาพบแพทย์ดูว่าแพทย์จะแนะนาว่าอย่างไรบ้างแพทย์จะ แพทย์จะให้ยาอะไรให้เรากลับไปบ้างเพื่อให้เรารักษาใจเราให้หายได้เพราะใจเราเนี่ยรักษายากที่สุดแล้วรักษาให้มันหายเนี่ยรักษายากถึงมันหายไปแล้วมันก็ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่ <c oughs> มันก็ยังติดอยู่ติดอยู่ที่ใจเราแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดแผลขึ้นอีกเมื่อไหร่มันจะเจ็บอีกเมื่อไหร่ใจมันจะป่วยอีกเราก็ไม่สามารถรู้ได้ เนี่ยความเป็นไปในสังขารเนี่ยก็เลยเปรียบเสมือนที่เรามาอยู่กันเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างที่ได้บอกหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วพระลูกวัดก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วรวมไปถึงหลวงพ่อมหาเฮงพระมหาณรงค์ฤทธ์ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนโยมก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว หน้าที่ที่เราทำร่วมกันมา๙วันคิดว่าเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วแลเราก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเมื่อเรากลับไปบ้านแล้วเราจะประครับประคองใจเราเองได้หรือไม่เราจะรักษาใจเราเองด้วยตัวเองได้หรือไม่เพราะมันรักษายากคนเราเนี่ยพอป่วยเนี่ยต้องการกำลังใจ พอเจ็บขึ้นมาก็ต้องการอาใครสักคนที่จะเป็นคนที่คอยฟังคอยรับรู้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นี้เนี่ยต่างคนก็ต่างป่วยต่างคนก็ต่างเจ็บต่างคนก็ต่างแย่มาทั้งนั้นเลยในสภาพจิตใจแต่มาอยู่ตรงนี้ทำให้จิตใจดีขึ้นจากใจที่เคยป่วยมันก็เริ่มดีขึ้นมันก็เริ่มหายเพราะเราอยู่กันอย่างมีความสุขเราอยู่กันอย่าง ไม่เอาเปรียบกันเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเราอยู่กันเราก็ช่วยกันทำด้วยช่วยกันกินเราไม่ได้มาแย่งกันไม่ได้แย่งกันอยู่ไม่ได้แย่งกันกินเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาตั้งสามสิบกว่าปีแลว้ววาโยมหลวงพ่อเขก็นํามาเนี่ยปีเนี้ยปีที่สาสิบเอ็ดเลยนะหลวงพ่อก็ทํามาตลอดจนถึงทุกวันเนี้ยโยมก็มากขึ้นมากขึ้น เดือดเสมือค น, นคนป่วยก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโรงพยาบาลก็ไม่มีที่จะรองรับและวปีหน้าสงใสต้องเจาะเขาเพิ่มอยมเจาะเข้าไปด้านหลัง <c oughs> เพื่อให้ใหญ่กว่าเดิมจะได้รองรับโยมได้ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้ว่าเมื่อโยมได้มาประพฤติปฏิบัติทําแล้วสิ่งที่รักษายากที่สุดคือใจเราเราต้องพยายามรักษาไว้ดีๆ เราต้องพยายามดูแลใจเราบ่อยๆพยายามมันพินพิจารณาใจตัวเองบ่อยๆจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเหตุที่มันเกิดจากใจมันเกิดเพราะอะไรทําไมมันถึงเกิดแล้วเราจะดับมันยังไงแล้วเราจะทํำยังไงไม่ให้มันเกิดนะก็ฝากไว้นี่แหละเป็นข้อคิดน้โยมได้นําไปประพฤติปฏิบัติทำรมแล้วต่อไปโยมก็ฟัง พ่อเจี๊ยบวัดใหญ่คลายเครียดอยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่วัดใหญ่คลายเครียดวัดใหญ่คลายคีรีอ่าหลวงพ่อเจี๊ยบวัดใหญ่คลายคีรีเดี๋ยวหลวงพ่อเจี๊ยบมีอะไรจะปรนธนาภาษาธรรมหรือจะยังไงกับญาติโยมก็ให้เวลาได้ห้าถึงสิบนาทีหรือเกินกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพื่อเป็นสิ่งที่โยมจะได้ ไปประพฤติปฏิบัติที่ได้ที่บ้านได้ก็ฝากเป็นข้อคิดไปอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดพูดไปเยอะคับไก่อร่อยไหม <c oughs> วันแรกไก่ทอดวันที่สองไก่ต้มโคกวันที่สามไก่ทอดน้าําปลาวันที่สี่ก็ไก่ทอดอีกไก่ลุ้นล้วนนโยมวัดใหญ่ไก่เค็มอ๋วันนี้หมูวันสุดท้ายมีหมูทอด <c oughs> นี่มนนษย์พ่อนี่มนุษย์พอ่พอเจีย๊ยบพี่นกพูดเยอะเลยห่วงรูปไททายเนี่ยพราะเราพูดเยอะแล้วก็ไททายก็ไม่รู้จะพูดอะไรเออเหมือนหลวงพ่อองค์ข้างหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เคยจริงจริงก็ดีใจได้เจอพวกเราเกือบทุกปีก็ เ, เห็นความเปลี่ยงแปลงลงไปเนี่ยมากมายเมื่อก่อนเราลําบากกว่านี้เยอะยากกว่านี้เยอะ รุ่นที่มาใหม่ๆรู้สึกจะดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นมากแล้วก็ผู้คนมากเยอะขึ้นอย่างที่หลวงพ่อนอกได้บอกไว้ก็มีความดีใจนะได้เจอหน้ายมเก่าวโยมใหม่ๆมีความสุขได้เจอพี่น้องซึ่งไปอยู่ทางจังหวัดพิจิตรก็ดีใจ ส่วนตัวอจะมาเองดีใจมากเลยได้เจอพี่น้องมีความสุขบอกไม่ถูกเพราะว่าเหมือนเราพี่น้องจากกันไปไกลปีหนึ่งจะได้เจอกันครั้งหนึ่งได้เจอกันก็รู้สึก ด, ดีใจสำหรับพี่ออสเนี่ยจะเจอดีใจมากพี่ออสแก่ดังแล้วตอนเนี้แยแต่ยังไม่ยอมให้ช้างนะแต่อยากได้ช้างสามร้อย รักพี่มากรักพี่มากอยากได้ช้างไ ม, ม่มีหมดแล้ว <laughs> แต่อยากได้สามร้อยักพี่มากเป็นน้องที่รักพี่สุดสุด <laughs> แย่กันเล่นไงเงี้ยมีความสุขรู้ว่าว่าแย่พี่ออสกันเนี้ยแกไม่ค่อยโกรธเพราะแกไม่ค่อยได้ยินว่าเราแย่ว่าอะไรก <laughs> ็แย่กันย้าก็เล่นอย่างเงี้ยมีมีเจอโยมก็มีความสุขเพราะว่าโยม มาที่เนี่ยได้เปรียบมากเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์จเจริญขึ้นทุกปีทุกปีห้องน้ำตะก่อนเนี่ยต้องเข้าแบบแบบเป็นห้องน้ำทำทำเองเป็นส่วมนั่งราดเอาผ้าพลาสติกมุงกลีดเดี๋ยวนี้สบายและมีห้องน้ำต้อนรับได้อย่างเต็มที่อาหารการกินก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีโยมเนี่ยมีความสุขมาก ได้พักผ่อนได้เห็นสัจธรรมความเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยบางคนก็ได้เจอเพื่อนใหม่บางคนก็ได้เจอศัตรูใหม่เพราะว่ามาที่นี่แรกๆมาเชื่อว่าทุกคน่ะต้องการที่อูอาศัยที่ดีเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ที่ลงพอ่อสอนทุกครั้งบอกทุกครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามาที่ตรงเนี้ยถ้าเรารู้จักอธิษฐานเราได้ทาสิ่งใด กับพ่อแม่ปุยญาตายายก็ขออกีอกรรมท่านตรงเนี้เราได้เต็มเต็มเลยไม่มีอาตมาก็เจอมาหลายๆวัดไม่ไม่มีที่ไหนบอกกล่าวแบบหลวงพ่อพราท่านท่านสอนเราด้วยความเมตตาจริงๆบอกทุกสิ่งทุกอย่างพวกลูกๆก็ดําเนินตามหลวงพ่อที่ท่านได้สอนไว้อาตมาเองก็ได้ได้มีโอกาสได้สอนหลายๆรุ่นแต่ก่อนนี่กลัวมากเลยสอนเนี่ย ครั้งแรกเลยมึงจะไปกลัวอะไรมึงก็คิดมันเป็นเด็กนักเรียนนี่มึงสอนโอ้โหเด็กนักเรียนอย่งโยมที่มาที่เนี่มีความรู้กับทั้งนั้นด็อร์ไปนี่โทรพยาธีรู้สึกออืสั่นประม่าก็กบอกมึงก็นึกถือว่ามันเป็นเด็กสอนไปพูดอะไรก็พูดไปพูดอย่างที่เราตั้งใจตั้งมัน่นก็ได้คําบอกกล่าวของพ่อนี่แหละสั่งสอนก็ได้มาสอนโยม มาให้ความรู้ยมมาแชร์ประสบการณ์กันเกี่ยวกับเรื่องสมาธิสิ่งที่อาตมาจะฝากไว้ก็คือเมื่อกลับจากตรงนี้ไปแล้วก็อย่าละทิ้งสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกคนจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าทําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเวลา9้าวันเนี่ยผลมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความเพียรพยายาม พระพุทธองค์ทองสะสมบารมีตั้งห0 0รอปีและมีความเพียรพยายามสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความเพียรพยายามเดินลอยตามองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าไปทิ้งสมาธิเราบางคน บอกแล้หนูไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาถามว่าเวลาที่พวกเราเปิดช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าดูละครกลับมีเวลาลองเอาไปไต่ตองดูฝากเกี่ยวเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยช่วยเหลือได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้จเจริญพรลําดับต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อออดหรือว่าอาจารย์ออด ไม่ใช่ว่าสายไหม่นะโยมพอาสาไหมมรณภาพไปแล้วแต่คนรู้ปืนดังมากตอนนี้อาจารย์ออสวัดวังกะดีทองก็กําลังดังมากนะโยมแต่ไม่รู้ว่าจะบรกระภาพตามหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะท้างท้างอาจาอาจะไล่แทงเราก็ได้เนาะพระอาจารย์ออสวัดวังกะดีทองนีนมนครับพระอาจารย์ครับความจริงนะ อกช้างหรอแต่ว่าช้างมันปั้นมาขับมือเื่องดีแบบไปให้ช้างไข่มดสัวไม่ได้เื่อพราะผมรักช้างทุกเชือกที่ผมทำมีคนมาขอช้างผมเนี่ยผมถามก่อนว่าช้างกูเชื่ออะไร มันไม่รู้เมื่อไม่รู้กูก็ไม่ให้ไปทำการบ้านมาหายไปสักครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับช้างเชือกช้างเชือกอะไรวะช้างร่องหนีพ้องนี่อนเออ กูแบบอ้โหแบบเม่เอาบดเสร็จไม่ต้องไม่ให้แล้วไม่ให้อแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่งกแต่เราอยากให้คนที่เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำนะก็คนที่ทำงานศิลปนะนะสร้าง มันผ่านกระบวนการความคิดมาเยอะมันมาจากใจของเราไม่ได้ว่าอย่าให้มันขังอะไรครับจะเสือขังอเอเ อ, อก็เลยผมก็เลย อยากจะให้ช้างอยู่กับคนที่มันรักษาจริงๆนะคนป่วยมาขอช้างเช่าผมไม่เก็บตังค์นะไม่เก็บตังค์แต่อย่าไปบอกนะเ๋ยวมันมาทั้งโรงพยาบาลคนไหนป่วยผมให้เลยมผมให้เลยนะช้างจะได้ไปรักษาโยม ที่ไม่ได้ทําถ้าถ้าไม่ได้โยมที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คงไม่มีช้างออกมาก็ต้องขอโหมชนาโยมทุกคนโดยเฉพาะโยมที่เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้ จ, จ่ายทุกอย่างในการหลอช้างไม่คิดว่าจะมีคนชอบ ช้างผมขนาดนี้อืมผมดีใจเห็นคนที่แบบโอช้างผมไปโดยที่ไม่ถามเลยว่าหลวพ่อปลกเสกหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดมากจริงๆ แ, แต่เวลาแบบไม่ถามสักคาเลยนะแบบโอ้ช้างน่ารักมากเลยอืโอ้โหกูในฐานะนที่คนทํางานคนที่สร้างมันมาดีใจมากปลื้มใจมาก เรานะสังคมเราก็เริ่มจากครอบครัวเราก่อนจะรู้จักให้นะลูกหลานเราเขาก็จะเห็นสิ่งที่ดีๆนะ ม, มันเกิดความประทับใจนะผมเชื่อว่าถ้าเด็กเนี่ยเห็นสิ่งที่ทดีๆแล้วมันประทับใจนะ เขาจะจำนะเขาจะจำแล้วเขาเอาไปใช้กับสังคมของเขานะครับวันอยาให้พวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยทำให้สังคมของเราเนะต็ไมไปด้วยความเมตตาให้รู้จักให้ทานให้ทานรู้จักให้ ให้โดยที่ไม่เลือกเลยเนี่ยผมชอบโยมปูศรินเนี่ยผมเราเปรียบเ่าชอบอยู่คนเดียวผมชอบโยมผมผมเห็นโยมมาหลายปีแล้วเนาะคือโยมเขาไม่เลือกที่จะทําบุญเลยหมดเวลาแล้วครับหลวงพ่อเราชอบอยู่คนเดียวพูดตอบไม่ได้ครับถือว่าลําเอียงครับเป็นเองนะแกไม่เลือกเลยแกไม่ดูพักเลยว่าพักคนี้จะเร็วจะยังไงเขาแต่เขา แชอบชอบตรงนี้มากเลยเปิดจริงๆเออผมชอบคนที่แบบให้โดยที่ไม่มีข้อแม้นะครับทำบุญกับพักโดยที่ไม่มีข้อแม้ชอบจริงๆอะพอละต่อไปให้พรให้พรอ่าสุดท้ายนี้เนะี่ย ขอให้โยมทุกท่านทุกครอบครัวต้งมีอิติสุขโตไปมาดีมาดีเอไปดีมาดีพระชาว่าโลปิโยโหติเป็นที่รักของทุกๆุกคน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อิติสุขโตพระชาว่าโลปิโยโหตินักชาลีติขอให้มีกิจการรุ่งเรืองค้าขายดี มากอัก อ, อกุขอให้มีลูกแก้วในหัวใจใบ ไ, ไหนมาไหนก็ขอให้มีแสงสว่างมีคนเมตตาสัตว์จากสัตว์จังอธิษฐานมิคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปานาธูปปการรวยรวยรวยรวย ยมนมระวังนะยมจะรวยเกินขอบเขตนะเ <c oughs> พราะมันรวยเยอะไปกลัวจะรวยไม่รู้ตัวอ่ะ <c oughs> ต่อไปต่อไปก็เป็นหลวงพ่อบุญทรงนะชื่อเก่าชื่อชื่อพระนามเดิมหลวงพ่อบุญทรงแต่พอเปลี่ยนพระนามใหม่คือหลวงพ่อทะลึตมนทะลทะละอะไรก็ไม่รู้ชื่อพิลึกเกิร์มทะลึกตำมนอ่านยากเขียนก็ยาก กรจงพ่อบุญส่งแหละวัดเขาพระหรือหลวงพ่อถ้าไม่มีบุญส่งก่อนก็จะไม่มีถลื้ตะมนแน่เพราะบุญส่งให้ไปเจอถลื้ตะมนเลยยังมีบุญอยู่ <c oughs> ก็ชื่อดีบุญส่งวัดเขาพระพระรอบเขาระ ย, ยมเอ้ยปีที่แล้วไปยังสร้างครึ่งเขาปีนี้ไปสร้างหมดเขาเลย ไปถึงวัดปุ๊บรีบเลยแต่เช้าเลยยมหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปดูพระก่อนผมตั้งรอบเขาเขานึกในใจโอ้โหจะไม่ให้พักเลยเพอถึงวัดปุ๊บขึ้นรถเลยพานั่งรถไปดูพระรอบเขาเลยสำเร็จแล้วแต่บอกยังไม่พอจะเอาอีกบอกยังไม่พอ ยังไม่พอจํานวนนะยังไม่พอใจพอพระยังน้อยไปนี่เพิ่งตั้งชั้นแรกนะรอบเขาเห็นบอกจะตั้งถึงเก้าชั้นไปถึงพระหลวงพ่อสมบัติธนาองค์ใหญ่เลยก็ยังคิดว่าเอาเอ า, เอาปีละปีล ะ, ปละชั้นแล้วกันหลวงพอ่อถ้ า, างั้นนะหลวงพอ่อบุญส่งหรือทะลึตมล <laughs> เขมังกโลในวัดเขาพระเอา มีอะไรจะฝากเป็นคติทรรมจะเป็นคำคมข้อคิดก่อนจากด้วยจะกรพัดภาคอะไรก็ว่ากันไปจะขายช้างมาอาจารย์ออดไม่ได้นะจะขายช้างอย่างเดียวเลยอาจารย์อทนิมนตนิมนครับองค์พ่อก็ขอจเอจริญพนญาติโยมครับที่เป็นชื่อนี้เพราะว่าโยมพี่ เขาอยากให้เปลี่ยนเพราะว่าเขาเกิดวันวันจันทร์ไม่มีสละอะไรให้เปลี่ยนเป็นธฤะตะมนมันเป็นภาษาสัน ธ, ธกิตนะแปลว่าผู้รักในภูมิปัญญาก็เลยเปลี่ยนเอาใจโยมพี่เขาเพราะว่าที่ได้มาเป็นพระอันดับแรกเลยเพราะว่าโยมพี่กับโยมแม่ที่เลี้ยงอาตมามานะอาตมาเป็นลูกบรนนอก เกิดที่ชัยภูมินะแม่เสียแต่ดเด็กก็ทำตามใจยมแม่บนธรรมที่เลี้ยงมาประยมพี่ที่มาบวชนี่ก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรในพระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาพระสงฆ์ช่วยเราเราไม่ได้ในความคิดตอนนั้นก็ไม่เคยคิดที่จะบวชนะแต่เมื่อถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงเข้าซวยนะ <laughs> ถึงเข้าซวย เพราะว่าผมได้ชอบมากพระสงฆ์เนี่ยชอบด่านะไม่ได้ชอบชไม่ได้ชอบไหว้ก็ไม่คิดจะบวชโยมแม่เขาก็ขอร้องให้บวชก็ผัดมาสามผัดนะวัดแรกไปบวชที่วัดอรุณอยู่ได้เจ็ดวันก็หนีออกมาไม่ยอมกลวนผมไม่ยอมปงผมแล้วก็พออายุยี่ิบ้าก็บวชวชนะสงครามก็ดูแล้ว ปวดไปมันก็ไม่ได้อะไรผมเห็นพระก็ทําอะไรฉันแล้วก็นอนดูทีวีว่ามันไม่เกิดประโยชน์ผมก็ไม่บวดแล้วก็พอถึงอายุยี่สิบเก้าทำอะไรมันก็ไม่ดีก็บอกดวงตกดวงไม่ดีจริงๆแล้วไม่ได้เชื่อเรื่องพวกดวงเรื่องพวกนี้เชื่อว่าอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่กําลังเราที่จะทําเพราะว่าอาตมาเนี่ยทอะไรประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ ปนะจากเด็บบ้านนอกมีทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้ในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักหมดนะถ้าไปสนามบินนี่เขาจะรู้จักชื่อผมหมดผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตจนอายี่บเก้ายมแม่ก็บังคับให้บวชถ้าไม่บวชคือเขาจะไม่เลี้ยงแล้วเนะพราะว่าไม่ตอแบแทนบุญคุณเขาก็ เ, าเลย บวชให้เขาก้าวันนะแต่โยมพี่เขาศรัทธาที่วัดเขาอิติสุกโตก็าพามาบวชที่วัดเขาอิติก็บวชได้เก้าวันก็จะไปสึกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจงสึกไม่ได้เราก็เชื่อนะแต่ตอนพูดกับท่านเนี่ยรู้สึกมีความว่าเชื่อท่านแต่พอห่างไปแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนคนเล่นของดูหนังมากไปตอนนั้น จะเล่นของหรือเปล่าเพราะว่ากุมารก็เยอะเหลือเกินที่วัดแต่ว่าเชื่อเรื่องผีกลัวผีนะแต่ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมนะไปพำบทีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกูบาจานทร์ก็เลยอยู่ได้ทุงทุกวันนี้ก็ได้รับความเมตตาก็ได้ไปเป็นเจ้าวาดก็เจอทุกอย่างที่ตัวเองด่ามาที่ด่าพามาก็เจอทุกอย่างเขาก็ด่าผมทุกวันนะผมก็ด่าตอบทุกวัน ผมก็ไม่ได้กลัวโยมบอกว่าถ้าคิดว่ากูไม่ดีก็ต้องใส่บาตให้กูแดกก็ไปใส่ให้พระที่นอนดูทีวีแดกก็แล้วกั น, ก น, นะโยมก็ไม่เขวัดเลยรู้สึกเออไม่เข้าวัดกูก็ดีหลวงพ่อให้ตังค์ไว้แสนหนึ่งก็ไม่จีแแหกก็ไม่ส่งไปส่งกันเยอะมากมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาขับใส่ไล่ส่ง อาตมาก็ร้องไห้เลยพอเขาจะกลับกันมีความรู้สึกเหมือนเรามีความรู้สึกแบบเหมือนลูกจะถูกทิ้งไหมเวลาแล้วแม่เราจะไปฝากไว้กับพี่ปานนะอาแล้วแม่เพราะแม่จะไปทํางานความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็เลยร้องไห้พยายามทําใจอยู่แล้วนั่งทําใจอยู่พักหนึ่งแล้วจะไม่ร้องเพราะว่าอายอายคนแต่เขาร้องจนได้ก็ได้ลูกซีพีไปปอบตอนนั้น แล้วพออยู่ไปอยู่มามันก็อยู่ได้แล้วเงินก็ใช้หมดแล้วด้วยทาสีแม่งตั้งแต่บันไดขึ้นไปใช้ให้หมดมีตังเท่าไหร่บอกกอลบอกทั้งหมดแสนหกไปซื้อสีทาตั้งแต่บันไดทาให้หมดเลยเดีพอใช้ตังหมดแล้วเราจะบอกว่าอยู่ไม่ได้เขาจะกลับพอใช้ตังหมดแล้วซึ่งอยู่ได้พอ ต, ตอนนี้หลวงพ่อทั้งก็ด่าท่านก็ฝาก เตือนว่าด่าเขาได้ต้องสอนเขาได้นะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วอยู่กับพ่อมึงทําอะไรก็ได้เหมือนอยู่กับบดัดป่ากก็คือทําอะไรก็ได้หลวงพ่อเขารับผิดชอบเราไม่ต้องรับผิดชอบเราจะทําอะไรก็ได้แต่เราไปเป็นผู้นําแล้วทําไม่ได้ท่านก็สอนท่านก็ชี้แนชี้นำเราก็ปรับตัวใหม่เราก็ไม่ด่าใครแล้ะ ก็ประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนรวมก็ยังไม่เข้าวัดอยู่ดีก็เลยเรียกประชุมชาวบ้านว่าเรื่องงานในวัดนะเพราะมันเป็นวัดชาวบ้านก็เรียกประชุมกันชาวบ้านก็กรรมการวัดไม่มีแขวกับผมสักคนมี เ, นเป็นไวัยประชกรวัดเป็นมรรคทายกเป็นกรรมการสอทอผู้ใหญ่บ้านต้งนั้นเลยเป็น บอกเขาไม่ว่างไม่ว่างไปเลี้ยงหลานอันนี้ไม่ว่างออกไปไม่ว่างออกไปเอาคนใหม่เข้ามาเอาคนที่เขาจะทํางานเข้ามาเพราะว่าวัดเนี้ยเป็นวัดของทุกคนไม่ใช่วัดผมแต่ว่าหลวงพ่อผมมอบหน้าที่ให้ผมทําผมก็ทําให้ดีที่สุดไม่ว่าวัดนี้หรือวัดไหนถ้าผมไปอยู่หลวงพ่อท่านบอกว่าเราเป็นสงฆ์เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปอยู่วัดไหนไม่ใช่บ้านเกิดเราอยู่เราก็ต้องทํา ก็เลยเริ่มทำตอนนี้ก็ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านตอนนี้รู้สึกสบายไม่ต้องทําอะไรเลยจะจับขึ้นตัดหญ้าก็ไม่ได้ก็เลยเบาหวานขึ้นนายมอ้วนทุกวันตอนแรกคนเกียรติดีแล้วพ่อทําทุกอย่างตัดหญ้าผสมปูนเองพอตอนหลังพอคนรักแล้วรู้สึกอยาความเบาหวานจะกินไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็เอาคําสั่งสอนของหลวงพ่อ ของครูบาอาจารย์ไปสอนญาติโยมนะก็สอนทุกวันพระโยมไปทําวัดวันไหนเยอะหน่อยก็สอนวันไหนแต่ถ้าปกติจะสอนทุกวันพระสอนพระสอนโยมก็ทําวัดทุกวันพอไปอยู่ตรงนั้นก็เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจพนกพระเจี๊ยบว่าเป็นผู้นํามันลาบากใจขนาดไหนตอนแรงไม่เข้าใจเราใครไม่บอกเป็นเจ้าว่านเหนื่อยกูเห็นเหนื่อยกเห็นแต่เราเจ้าวัานนอนแดกนั่งแดก ได้ ใ, ใจคิดอย่างนี้แต่ก็ว่าเขาไปด้วยแต่พอตอนหลังก็รู้สึกครูบาอาจารย์เราสอนมาเราทําอย่างนี้ไม่ได้สิ่งไหนทําไม่ได้สิ่งไหนเราต้องคิดเยอะๆนะก็ได้สติได้ปัญญาจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อปีชานะอแตมาทั้งเป็นพาอยู่ในทุกวันนี้ถึงมาสอนญาติโยมอยู่ได้เอาคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์นะเพราะว่าตอนนอนผมจะนั่งสมาธิจะเปิดเทปหลวงพอ่อตั้งแต่สมัยเก่าๆมีก็เปิดฟังเปิดฟัง หลวงพ่อสอนเราสอนในเรื่องของให้เกิดปัญญาไม่สอนให้งมงายเนี่ยเราที่มาประพฤติปฏิบัติที่เนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าถ้าเราไปประพฤติปฏิบัติที่อื่นก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่าที่นี่คือไม่ได้บังคับมากอาหารการกินคืออุดมสมบูรณ์มากเนี่ยโยมลองไปดูสิโ ย, ยมบางคนไม่ได้สมาธิแต่ว่าได้น้ำหนักไปแน่นอนน้ำหนักเพิ่มแน่นอนนะแต่ว่า ก็ดีใจที่ได้มาร่วมจิตกรรมในทุกปีทุกปีที่รัฐพ่อจัดมาตั้งแต่บนเขานุ่นก็ได้ขึ้นวัดป่าก็มาที่นี่นะก็ได้เจอญาติโยมก็อยากจะพูดคุยกับญาติโยมอยากจะสอนแต่ว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไปอยู่ตั้งสองเดือนพูดห้านาทีจนชาวบ้านเขาขอร้องให้พูดแต่ตอนนี้ไม้ที่วัดไม่มีใครจับอาตมาจับคนเดียว แต่ผู้ที่วัดพูดได้นายโยมแต่พูดนอกสถานที่อย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่ใช่บ้านเรามันรู้สึกพูดไม่ค่อยได้นะแต่นี่เริ่มจะชินแล้วพอะเริ่มจะพูดมาก <c oughs> ก็ได้ไปเทศหลายๆที่เขาบอกว่านายโยมจ้องหน้าเดี๋ยวจะพูดไม่ออกนะจะมีความเขินเราคิดว่าเออเขาจ้องหน้าเราเสีงว่าเราหน้าดูเราก็คิดอย่างนี้ทุก ว, วันนี้ก็มีความหน้าด้านขึ้นมานิดนึง จะไม่รู้สึกเขินแต่อันนี้พูดคร่าวๆให้เราเข้าใจพูดคร่าวๆให้เรามีความสุขเฉยแต่หลักการประพฤติปฏิบัติแล้วอยู่ที่ใจเราไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติที่ไหนถ้าเราใจเราไม่พร้อมเราก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าถ้าใจเราพร้อมกายเราไม่พร้อมเราก็ได้สมาธิสมาธินี้ปฏิบัติที่ใจเหมือนหลวงพ่อนกบอกเหมือนเราเหมือนคนป่วยคือมาประพฤติปฏิบัติ รักษาจิตแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นจิตไม่ใช่เป็นโรคจิตนะโยมจิตของคนเราเนะี่ยมันมีหลายอย่างนะบางทีเราเครียดกับงานก็ถือว่าเป็นโรคจิตบ้างเนี่ยบางคนบ้า ง, งานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเราได้มาพักผ่อนได้มาสวดมนมต์ทำวัดมีครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนหลวงพี่หลวงพ่อท่านในธรรมะ แต่ละองค์แต่ละองแล้วแต่เราจะชอบจริตบางองค์ก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้นะแต่จะให้ถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อวิชานนท์สอนให้เรามีสมาธิมีปัญญาอันเนี้ยที่ไหนก็ไม่มีให้ฝึกหรือว่าสอนให้ดิษฐานอย่างหลวงพ่อไม่มีอาตมาเคยไปมาหลายที่แล้วไม่มีที่เนี้ยดีที่สุดแล้วสอนให้เราเกิดปัญญาไม่ได้สอนให้เรามงมงายนะทำบุญ ต้องได้ทั้งปัญญาต้องได้ทั้งบุญต้องได้ทั้งหน้าตาผมว่าที่วัดนิติเนี่ยสมบูรณ์แล้วที่ที่เนียนะแต่ที่อื่นบ า, บางที่อื่นอาจจะมาไปเนี่ยได้แต่หน้าบางทีดูแล้วคงไม่ได้บุญหรอกพระก็ไม่รู้จกักศีลพระก็ไม่ได้ทาวัดสวดมนทอดเอาเต็งเงินนะเดี๋ยวหลวงพ่อเน้นหนักว่า ทำอะไรพิธีกรรมต้องให้ครบมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็จำครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัตินะเหมือนคนที่บางคนก็ได้ทำครบเลยนะทานศีลภาวนานะได้ออกลงทานในรักษาสศีลได้สวดมนต์ทำวัดเนี่ยเนี่ยได้บุญเต็มๆบุญของศีลเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อบังคับของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อสัต เชื้อชาศาสนาไหนต้องมีศีล น, นะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาบานาติปาตาอย่างเราเนียอย่างฝรั่งเขาก็มีศีลมีเมตตาต่อสัตว์มากเนี่ยเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคือเกราะป้องกันของมนุษย์ไม่ให้ตกไปในอบายภูมิไม่ให้ตกไปในไม่ให้เราคิดในทางที่ไม่ดีเนะี่ยมันเรารักษาศีลเราเราจะไม่กล้าทําผิดศีลใช่ไหมนะเนี่ยก็ฝากให้เราจะฝากพวกเราไว้ ในการประพฤติปฏิบัติที่คูบาอาจารย์ท่านรวมสั่งสอนนะเราไปประพฤติปฏิบัติได้ที่บ้านบุญไม่ที่อยู่ที่วัดนะบุญอยู่ ท, ที่ที่ตัวเราเรามาวัดถ้าเราไม่จิตใจเราไม่พร้อมเราก็ไม่เป็นบุญนะคําสั่งสอนที่คุบาอาจารย์แนะนําไปเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้กับตัวเราไม่ได้ให้คนอื่นเราปฏิบัติได้เราก็ได้คนอื่นไม่ได้นะก็จะฝากเราไว้เพียงเท่านี้ก็ ท้ายที่สุดนี้คุณกุศลที่เราร่วมกันทาหรือว่าแตมารสร้างมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุบาจารย์บารมีกุบาจารย์จบปปักรักษาญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัตินะให้แควคาดปลอดภัยเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนทุกท่านเธอสาธุหลวงพ่อวันส่งบอกพูดไม่ค่อยเก่งนะอาโยม พุไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้โยมชอบอะไรจะหาให้โยมนะจะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อบุญท่งพุ่ไม่ค่อยเก่งนะแต่พูดไม่หยุดเลยตั้งแต่จับไม้ได้นี่ไม่หยุดเลยต่อไปก็ไปทางอีสานบางแถวบ้านโยมปูคร น, นี้ไปแถวบ้านโยมปูแล้วติดติดกันบุริีรัมย์กับสุรินทุก อ, ออกเสียงหน่อยบุริรัม์กับสุรินหลวงพ่อเอก วัดศิลาชัยยศปราสาททองผม็นพ่อเอกหน้าสงขลานนะนะเป็นน้องที่อยู่ไกลที่สุดเลยจะไปแต่ละปีนี้คิดแล้วคิดอีกนะอยู่ไกลมากบุรีลำแต่ก็ยังพยายามไปอยู่ไปโดยการถูกบังคับบ้างเต็มใจบ้างแต่ก็ยังไปอยู่บุรีลำอยู่รูปเดียวเองโยมเก่งมากอยู่รูปเดียว บางวันสามีพระแค่สองมีพระแค่สามแต่ส่วนมากจะอยู่รูปเดียวอยู่คนเดียวเลยเก่งมากเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเอกเขาว่าหลวงพ่อเอกมีอะไรแนะนำที่จะให้โยมนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อที่บ้านได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนิมนต์ครับ อ, อ, ร อ, อาจารยเจริญพรญาติโยมทุกคน ที่วัดเนี่ยเหมือนพี่ส่งนะก็พูดได้แต่พอเวลามาอยู่นอกสถานที่เนี่ยประมาะทุกทีก็จริงๆเนี่ยใจจริงไม่อยากที่จะไปบุรีรัมย์วันที่รู้ว่าจะต้องมาที่บุรีรัมย์น่ก็คือวันที่จะไปขอศึก เหมือนหลวงพ่อรู้ไงไม่รู้เข้าไปกับเงยหน้าขึ้นมาจะบอกว่าผมจะขอสึกคือกำลังอ้าปากแล้วก็กำลังเสียงจะออกแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอกไปอยู่บริลล์ำนะลูกเหมือนกับไฟชอ็อตนะ ง, งะ <c oughs> <c oughs> เหมือนฟ้าผ่าแล้วชอ็อตแล้วก็พูดไม่ออก เกิดมาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะมันพูดอะไรไม่ออกเลยงงไปหมดอึ้งเออแล้วก็แล้แกก็ไม่คุยลแกก็ไปหลุงพ่อท่านก็หันไปคุยกับโยมต่อก็เลยนั่งก็รู้สึกอายโยมด้วยอก็เลยก็คานกลับออกมางง ส่วนตัวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง <y> ตั้งใจจะบวชสามเดือนนะบวชสามเดือนให้ให้โยม <timer> ให้โยมที่บ้านเพราะว่าเป็นคนดื้อเรียนก็ไม่จบเดือคกลางเดือก็เลยจะบวชให้สามเดือนก็ เ, เลยไม่ได้สึก ขอสึกทุกปีทุกปีเลยและปีละหลายรอบเกิดไม่ได้สึกก็เลยกะว่าแค่หลนพ่อให้ไปอยู่บุรีรามก็ไปให้ท่านอาจตุแตนบุญคุณท่านที่ท่านทำให้เราเนี่ยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างก็เลยไปกะว่าอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไปก็เป็นไทย ชาวไทยคมัมเนไทยสวยไทยลาวไทยอีสานคือรวมกันหมดนะฮะพอเราไปเนี่ยโอ้โหคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยฮนะเขาคุยกับคมัมเนกันคุยสวยกันเราก็เหมือนเด็กเขาก็คิดว่าเราเป็นเนนนะกอเลย นึกว่าใครจะไหวเราเนี่ยใครจะสัตยาตา้หลวงพ่อท่านท่านเกียดเราพปล่านึกวนะ่ยเราไปใค่จะไหวแค่สองภาษาเงสองภาษาใครจะไหววัดก็เป็นป่าล้นๆแบบนี้เลยครับไม่มีอะไรเลยก็เลยแ่ก็คงอยากจะให้เราอยู่สักสักพักแล้วคงศึก อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่ไปโอ้อยู่ป่าไม่เคยอยู่ป่านะอยู่เมืองอยู่คนกรุงเทพอยู่ก็พอไปอยู่เนี่ยโอ้โกลัวผีมากอกลัวมากหลวงพ่อก็พูดไปเยอะด้วยสัตว์ก็เยอะงูแมงป่องตะขาบ ทุกอย่างที่ไม่เคยเห็นนะฮะโอ้ยเยอะมากกลัวมากแค่มะม่วงตกใส่หลังคาเนี่ยโอ้โหคนลุกขะโทษฉีเกือบรัดกลัว <c oughs> มากครับกลัวมากกลัวมากเลยลวเวลานอนก็เหมือนคนเนะ่มาเดินลอ้ลอมรอบตลอดแค่เรานอนหันหัวพิทิสนะ หลวงพ่อเคยบอกให้นอนหันหนูไปทางนี้ตรงนี้อย่าไปตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราก็ไม่เชื่อส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่เชื่ออะไรเลยเป็นคนดื้อแบบเงียบๆ เ, เป็นคนไม่สนใจใครเลยเป็นคนค่อนข้างที่จะกระด้างยากในความรู้สึกมันไปฝึกตัวเองะออก็เลยค่อยๆ ก็เลยเข้าใจคำที่เขาพูดว่าอยู่คนเดียวนะต้องระวังความคิดอยู่กับมิตรเนี่ยต้องระวังคำพูดก็สงสัยจะเป็นเรื่องจริงพอได้มีเวลาอยู่คนเดียวเนี่เราก็คิดทบทวนว่าที่เราโตมานี่เราทำไมทาผิดพลาดไ้เยอะจังพออยู่คนเดียวน่มันคิดนะคิดคิดหมดทุกอย่างสงสัยหลวงพ่อคงจะสอนเราเพราะว่าท่านสอนเราไม่ได้ หลวงพ่อเนี่ยไม่เคยพูดสอนอะไรก็คงรู้ว่าเราไม่เชื่อว่นคนไม่เชื่ออะไรถ้าถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองพอไปเจอด้วยตัวเองก็เลยค่อยคิยคดกลัวทุกอย่างพอกลัวผีมากๆก็เลยจะทำไงเราถึงจะหายกลัวตรงไหนที่หลวงพ่อบอกน่ากลัวก็ไปกะว่าจะไปสักเที่ยงคืนถึงจะกลับ สิบนาทีเนี่ยกลับเลยโอ้โหงูครับงูมาเลยนี hey, ่ทําไมงูมาสองตัวมาพันไปพันมามันกัดกันแล้วมันก็กินกันโอ้โหผมไม่เคยกลัวงูงูมันกัดแล้วก็กินกันงูจงอางแล้วมันก็มองเราเหมือนคู่ยังไงมัน มันมองคนระับผมโอ้โหกลัวงูไม่เคยกลัวงูกลัวงูดูใ น, ในสารคดีมันกำลังเกินกาลังเกินก็ไปโยมลองคิด ด, ดูอยู่ตรงหน้าก็อยากจะยกมือไหว้ก็ก็ไม่กล้าแต่งูเขาจะอาฆาตอีกว่าไหว้เขาแล้วแต่เขาบาปคิดไป <laughs> ก็เลยไหว้เขาในใจบอกทางใครทางมันนะครับแล้วนกะ บ, นะบพี่นกะตอนนั้นแลนะครับพี่ แถมตาดังมีก็ไม่เคยเจอฮะก็ไม่การบอกว่าลักษณะยังไงกลัวจนหายกลัวค่อยๆเริ่มหายกลัวกลัวสัตว์สัตว์มีพิษกลัวผีก็ค่อยๆหายกลัวค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเข้มแข็งฮนะเวลาก็เลยนึกถึงคําพูดหลวงพ่อว่าพ่อแม่เนี้ย ลูกเนีอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เนี่ยไม่โตมันนึกขึ้นมาเองเราไม่เคยจำประโยคนี้มาก่อนก็เลยเออน่าจะเป็นเรื่องจริงเราก็เลยค่อยๆโตค่อยๆเริ่มมีวุฒิภาวะค่อยๆคิดเป็นให้อยู่ไปอยู่มาความรู้สึกอารมณ์ความคิดสังเกตตัวเองว่ามันค่อยๆเปลี่ยน ก่อนไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ฮะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยความคิดก็เปลี่ยนคําพูดก็เปลี่ยนการกระทาก็เปลี่ยนแบบเป็นอัตโนมัติโดยที่เรารู้สึกไม่ได้เหมือนลมเนี่ยเราเราสัมผัสมันไม่ได้ม ร, รู้อีกทีว่าเราเปลี่ยนไปแล้วก็เลยค่อยๆโตค่อยๆค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาก็เลย ถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันคงจะต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ก็คงจะค่อยๆโตรดน้ำวันละทีสองทีรากมันถนึงจะไม่เน่ามันจะได้ไม่ตายเหมือนการปฏิบัตินะครับเราที่หลวงพ่อท่านพาทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวทำแต่พอดีทำตามจริตไม่มากจนเกินไป จะเอ๊ะทำไมทำเหมือนก็นจะไม่ได้อะไรเราลองอุปมาดูว่าเราเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเล็กบางใหญ่บางก็ดีเราอยากจะได้ผลกินอยากได้ดอกอยากได้ร่มเนี่ยเราลองเปิดน้ำแช่ไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยไม่ถึงเดือนต้นไม้ต้นนี้ก็คงจะลากเน่าตายถ้าต้น ไม้ต้นนั้นไม่ใหญ่จริงก็คือการปฏิบัติของเราเนี่ยหรือบารมีบุญวั ส, สนาของเราไม่มากจริงไม่เหมือนครบาอาจารย์เนี่ยทำมากจนเกินไปมากจนที่ร่างกายจะรับไหวเนี่ยก็คงไม่ได้ตายแน่นอนก็อาจจะอยู่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่เกิดผลก็อย่างนี้แหละครับ เช้าก็ลดทิง้งเย็นก็ลดทิง้งมีล่มเงาบ้างลำไรก็คือไม่ลาบากมากนะักมีอาหารอุดมสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยบ้างตามช่วงตามเวลาก็เหมือนกับเรามาฟังธรรมะอยู่บ้านได้ปฏิบัติสายกลางนะครับแล้วมันจะไม่มันจะไปยังมีความสุขคือเรียกว่าจุดหมายเนี่ย เราตั้งทุกคนมีความฝันพอมีความฝันทุกคนก็จะมีความหวังพอมีความหวังแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะทำความฝันเราให้สำเร็จเป้าหมายเนี่ยมันไม่สาคัญเท่าหนทางที่เราเดินไปแต่หนทางที่เราเดินไปมันเต็มด้วยความยากลำบากหรือว่าน้ําตาหรือความทุกข์ทรมานเนี่ยมันไม่มีความสุข ก็คือการที่เราปฏิบัติจนทรมานตนเกินไปเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่สรรเสริญไม่ยกย่องท่านทำมาแล้วท่านถึงบอกว่าให้ทำแต่พอดีคำว่าพอดีเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานเราต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าแค่ไหนถึงจะพอดีสำหรับเราจะเอาอย่างครูบาอาจารย์ไม่ได้เหมือนคำที่เขาบอกว่า ยี่งได้แต่เอาอย่างไม่ได้ดูเราเลือกที่จะทำทําตามกำลังที่เราแบกไหวนะครับเราแบกได้5ก้ก1โลกโลก็แบกไปเราจะถึงจุดหมายอย่างมีความสุขถ้าเราโลภแบก50าโลอยกิโลเนะี่ยกิโลเดียว100กิโลเนะี่ยไม่กี่เมตร1้อยเมตรเนะี่ย ที่เราแบกก็จะทับเราตายก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาปีนี้มาไม่ครบเก้าวันมาได้แค่5้าวันเพราะว่ามีภาระก็ดีใจที่ได้มาเจอพระหลวงพี่หลวงพ่อเพื่อนน้องเพราะว่ามีความทรงจาที่นี่เยอะ ผมทำอะไรไม่เป็นเลยขอตั้งอย่างเดียวก็มาเป็นที่นี่ทุกอย่างตั้งแต่ปลูกข้าวจนถึงก่อสร้างนะก็เลยรู้สึกผูกพันก็รู้สึกดีใจเป็นความรู้สึกลึกๆนะีก็ไม่รู้อธิบายยังไงเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกเนะี่ยความรักของพ่อของแม่เนะี่ยถ้าเราไม่เคยมีลูกเราจะไม่สามารถรู้ได้ อี่ใบ ย, ยังไงพูดยังไงก็รู้ไม่ได้มันเป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าความรักที่มีต่อลูกเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนอธิบายเป็นตัวอักษรก็ไม่ได้การปฏิบัติก็เหมือนกันอธิบายไม่ได้คําว่าสงบเนี่ยเป็นยังไงเรารู้ไม่ได้ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคน ที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในวันนี้ก็ไม่มีพร อ, อะไรที่จะให้โยมก็แค่อยากจะบอกว่าให้โยมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีรักษาใจตัวเองให้ดีขอให้โยอย่างมีความสุขขอให้สนุกในชีวิตอย่าได้มีความเศร้าอย่าเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ขอให้โยม มีธรรมะของพระพุทธเจ้าในใจสักข้อหนึ่งจะได้เป็นร่มให้เราได้ได้หลบหลบร้อนเปนที่พึ่งให้เราได้อาศัยเวลาในวันที่เราเนมีปัญหนานหรือความทุกข์ได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ขอให้โยมนะมีดวงตาเห็นธรรมจงทุกคนทุกท่านเทิญสอธครั <c oughs> ต่อไปก็ลองสุดท้องนะลองสุดท้องเลยอีกสองโยมแรกบอกห้านาทีสิบนาทีตรงถ้าจะยาวลองสุดท้ององคพ่อการนะวัดลำชละล่าอมพ่อการวัดลำชละล่าก็กำลังทำโบสอยู่ นาคลำชันล่านะแปลว่านาหนะกําลังสร้างบทกําลังทํำบทอยู่ปีนี้คาดว่าน่าจะเสร็จหลวงพ่อบอกว่าถ้าปีนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวจเจ้าว่าจะเสร็จ <c oughs> น้องหลองสุดท้องอันนี้มลหลวงพ่อการฝากอะไรไว้กับญาติโยมสักเล็กน้อยไม่ต้องยาวเหมือนพ่อออสนะว ไม่พอใจแล้วไม่ได้ยาวเเสียดายว่าพูดน้อยเกินไปเสียเปียบอีกโยมเสียเปียบเสียเปียบอันนี้มนถูกพ่อการเจริญพรญาติโยมทุกท่านฟังฟังมาเราก็จะขอเล่าบางนิดหน่อยองไม่ยาว แต่ถึงวันนี้ดูแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าเ อ, อ้ยยาวก็ดีมันสนุกดีว่าฟังๆก็มีความสุขยิ้มแย้มจำใจก็คิดว่าคงเป็นกรรมเนี่ยฟังๆมาแม่งมันเป็นกรรมจริงๆด้วยยังฟังพี่เอกของพี่เอกพูดได้ฟังโอ้โหชะตาชีวิตกูแม่งแบบนี้เลยเนิว บวชเข้ามาจากบวชแค่สมเดือนพรรษาเดียวล้างสวยซะหน่อยอ อ, ออกไปชีวิตก็ต้องดีขอศึกตั้งหลายรอบมีรอบที่มีความหวังสูงสุดก็คือหลวงพ่อถามเกิดวันไหไรถ้าเป็นพระที่วัดเนี้ยต้องไปขอเลิกกันหลวงพ่ออนะท่านถามว่าเกิดวันไหไ่บอกวันไปเรียบร้อยคุยไปคุยมาเปลี่ยนเรื่องคุยเ <laughs> ชื่ชตาเดียวกันกับพี่ ก็ไม่เป็นไรก็รอยู่ไปอยู่ไปก็ได้คําสอนเยอะเว่าเคยเป็นเคยได้ใกล้เชิดเป็นเลขาอยู่พักหนึ่งได้คําสอนเยอะแยะมากมายสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือว่าเคยพูดว่าที่นี่มันเป็นมหาลัยมหาลัยอิติศุขโตคือเหมือนเราอยู่กันแบบพี่น้องอยู่เป็นเหมือนโรงเรียน เราถ้าเราเคยเรียนพวกโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยมันจะมีเลือดรักโรงเรียนก็เหมือนกนอันนี้มันก็เป็นเหมือนเลือดเอติสโคโตมันคืออยู่กันไปแบบพี่น้องกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาลองคิดดูเราอยู่ในครอบครัวเล็กๆก็เหมือนโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนที่มันมีนักเรียนไม่กี่ค น, นมันก็มีสุขมีทุกข์ตลอด ไม่มีครอบครัวไหนที่มีความสุขตลอดหรือว่ามีแต่วความทุกตลอดเหมือนการที่เขาบอกให้เราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่สามารถหายใจเข้าได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องหายใจออกหรือหายใจออกอย่างเดียวไม่ต้องเข้ามก็เหมือนกันความสุขความทุกข์มันมีตลอดเหมือนกราฟขึ้นกราฟลงอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าในหน่วยย่อยก็คือหน่วยครอบครัวมันเล็กปัญหามันไม่เยอะแต่ในหน่วยของอิตรีเนี่ยมันใหญ่ เนี่ยอย่างหลวงพ่อเป็นพ่อที่พระนกบอกหลวงพ่อเป็นพ่อแล้วก็มีลูกเนี่ยกี่คนนั่งนับดูพระเหมือนลูกชายแม่ชีเหมือนลูกสาวกี่คนคิดดูแค่อยู่กันสองคนบางทีผัวเมียยังทะเลาะ ก, กันจะตายเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันเดี๋ยวดีกันเป็นอย่างเงี้ยวัด วัฏจักรวนไปวนมาอย่างเงี้ยพระชีเหมือนกันเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเดี๋ยวดีกันแต่มันอยู่มหาลัยเดียวกั น, ก น, น, าหา เ, กนเหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะในสุดมันก็รักกันเหมือนเดิม oh. เพราะว่าเราลองดูดิเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันนั่งดู Facebook เห็นไหมมีเหตุการณ์บางอย่างพอถึงเวลาจริงรวมพลังอิตธิสุขตทีใครจะมาสู้สมมติมีวัดแถวนี้มีปัญหาเยอะแยะมากมายวน ม, มีวัด เนี่ยวัดไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแถวๆเนี่ยสมมติลองมามีปัญหากับเรากับมหาไ่เราดีไม่ว่าใครจะอยู่พิจิตตอยู่บุรีรัมย์อยู่เหนืออยู่ใต้ถึงเวลาถ้ามันจะเอาจริงจริงมันรวมหัวเข้ามาหมดเป็นอิตเตแล้วก็ลุยเข้าไปใครจะมาสู้ก็หลวงพ่อเขาสอนมาแบบนี้สอนให้อยู่กันโดยที่แต่คำสอนหลวงพ่อเนี่ย ท่า น, นจะไม่มาสอนเป็นบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาบทที่สี่ท่า น, นจะสอนโดยการให้เราเนี่ยใช้สติใช้ปรรัญญาแล้วก็ดูแล้วก็ทำตามกันไปเองแต่เราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่ามันก็เป็นกรรมเหมือนที่หลวงพ่อได้พูดบุพกรรมอะไรที่มันเจอกันเนี่ยมันนั่งเจอกันทุกวันเนี่ยมันเป็นกรรมทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ย มันก็มีวิธีแก้ไขก็คือว่าอย่างที่หลวงพ่อก็ได้สอนอีกวิปัสสนาคือให้ดูเรื่องของตัวเองอย่างเนี้ยมันหลายคนกรรมมันก็เยอะไงมันเจอกันเยอะมีสิทธิ์สร้างกรรมกันเยอะเดินไปชนกันแย่ห้องน้ํากันก็ด่ากันก็กรรมแหละเพราะนั้นเนี้ยวิธีแก้ก็คืออะไรอยู่ๆเราก็มานั่งคิดวิจารณ์เออมันได้คําตอบนะหลวงพ่ออยู่เมื่อก่อนอยู่กับหลวงพ่อจะได้ยินคำหนึ่งช่างไหม พูดใครจะคิดใครอะไรหลวงพ่อจะบอกช่างแม่งไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเมื่อเช้าท่านก็เทศอยู่ว่าอย่าเอาไปอะไรนะไปใส่ใจของเขาอะไรเอาใจเอาของเขามาใส่ในใจของเรา เนี่ยเราก็มานั่งคิดเออมันก็จริงเนอะมันก่อนแม่ชีใหญ่ก็มาเทศก็เหมือนกันเออแม่ชีเขาสอนว่าอะไรนะเขาไม่ได้ใช้คําว่าช่างแม่งเรื่องของเมืองเออเหมือนกันมันจบมาจากมาหาลัยเดียวกันพวกนี้คือบรรลุละมีสติมีปัญญาละเรื่องของเมืองคไม่สนเพราะเรามาลองคิดดูดีอะอย่าง ใหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในวัดวัดเรามันไม่เหมือนวัดอื่นนะวัดอื่นต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิที่นี่คือปฏิบัติกันไปเองอย่างเรามาเองที่ได้เทศไปบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันถูกอะมันมาปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างวันนี้มีเพลงฟังแล้วก็โอ้โหมัจะมีตั้งแต่วันแรกนะเนี่ยมันรู้สึกสบายใจทํางานไปเออทากับพ้างกับข้าวไปเออมันมีเพลงฟังแต่มันก็จะมีพวกมาคิดอีก คิดว่าเมันได้อหรอว่าเปิดเพลงเราลองคิดดูว่าเรานั่งฟังเสียงพัดลมอย่างหน่อยซาวเปิดเพลงอะไรเจ้าแม่กวนอิมอะโมโมงงนี้ฟังรู้เรื่องอก็แปลไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่เสียงถ้าเราเมองามันเป็นแค่เสียงอ่ะอย่างที่เขาบรรเลงเพลงร้องเพลงมาถ้าเรามองเป็นแค่เสียงก็ฟังไม่ออกเหมือนกันอย่างไอเสียงพัดลมเสียงไอเครื่องปั่นไฟเนี่ยเออมันก็เรื่องของมัน เราไม่ต้องเอาใจไปใส่ว่าเฮ้ยมันพูดว่าอะไรมันร้องว่าอะไรเราแค่มองว่ามันเป็นการผ่อนคลายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่ามันอย่าไปตึงเยอะเออเนี่ยมันก้าวันแล้วมันก็มีผ่อนคลายบ้างทุกคนเขาก็มีเหตุผลของเขาเถ้าเราไปยุ่งเนี่ยนอกจาก กรรมมันเยอะอยู่แล้วกูจะสร้างกรรมเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออคติที่ได้เนอะเรื่องของเรื่องของเขาเออของใครของมันกรรมใครกรรมมนเรามาอยู่กันเยอะๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายบททดสอบเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนบททดสอบ ทุกอย่างจริงๆอย่างอยู่กันกระทบกระทั่งกันปีก่อนแ ม, แม่ชี2คนนี้มึงทะเลาะ ก, กันปีนี้มึงซีกันอีกแล้วอีปีหนึ่งทะเลาะ ก, กันอีกแล้วอีกปีหนึ่งซีกันอีกแล้วแต่ก็อย่างที่บอกครอบคุมไปแล้วว่ามันคือมหาลัยอิติเราต้องมีเลือดรักมหาลายมันก็เลือดลักโรงเรียนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนิดๆหน่อยๆที่เราพอจะคิดได้ส่วนต่อมาก็คือว่าการมาปฏิบัติเราต้องมองหาธรรมะ แล้วก็คิดค้นหาเนี่ยสติปัญญาคิดไปอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกไปหลวงพ่อสอนโดยที่ท่านไม่มาสอนนะบทที่หนึ่งต้องยังไงสองสาท่านจะใช้วิธีทำให้เราดูแต่บางคนมันก็ดูแล้วก็ไม่สนใจแต่ถ้าเราดูแล้วพิจารณาหน่อยอย่างเช่นว่าหลวงพ่อทำให้ดูเรื่องของการให้วันเนี้ย ตอนบ่ายเราก็นั่งคุยกันหลวงพี่ออสหลวงพี่ออบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อน ก, นกูไม่มีตังค์กูไม่ค่อยได้สามารถสร้างบา ร, รมีอะไรได้แต่เดี๋ยวนี้กูมีตังค์แล้วอกูมีช้างแล้วกูมีตังค์แล้วกูจะสร้างไมเ่เยอะๆกูจะทำบุญเยอะๆเลยอ่ก็เห็นหลวงพ่อเคยให้ใช่ไหมเราก็ถามเออพี่ออสเขาจะปล่อยนกไงเราก็ดูพี่ออสกี่ตัว เห็นเขามาไขนกอยู่เนี่ยพี่อดสบักกูเอาหมดเมาไห้ทั้งกงเลยก็าถามเท่าไหร่พันกว่าบาทหรือยังไงเนี่ยอาแล้วพี่เมาคนเดียวเหรอเออเมาคนเดียวเลยกูรวยกูมีตังค์กูทำบุญกูต้องทำเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทำ พอทําไปทํามาเนี่ยถึงเวลาโอ้โหคนทั้งศาลาเนี่ยเอาเงินมาให้คนละยี่สิบร้อยสองร้อยห้าร้อยเนี่ยไปไปามาเนี่ยจ่ายไปเลยพันหนึ่งน้ำเงินออกมามีสองพันกว่าเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรส่วนที่เหลือกูทําต่อไปติดพระปาอีกเออเห็นไหมคือหลวงพ่อทําให้ดูแล้วก็ทําตามพอทําตามแล้ว คนที่ได้คือมันเป็นไงมนยิ่งให้ยิ่งได้ก็จริงๆ อ, อย่างโยมปูเนี่ยถือว่าเป็นอย่างที่พี่ออดพูดอะเขาก็เป็นคนดังนะมีใครไม่รู้จักโยมปูแล้วพวกมากเก่าได้ยินหมดเนื่องเขาทําทํามาเยอะเราเคยถามเขาว่าคือรู้จักมาหลายปีไงเคยถามว่เาเฮ้ยโยมผมถามจริงๆเถอะผมข้องใจมากๆเลยทําไมมันทําบุญเยอะจังวะทํา ท, ทีเป็นหมื่นเป็นแสนทําเข้าไปได้ยังไงออ เพราะอะไรเขาบอกว่าคนอื่นหนูไม่รู้นะแต่หนูทำแล้วหนูมัรวยอะ่ะทำแล้วมันรวย อ, ะอ่ะล่าสุดมีการบอกว่าเนี่ยอะไรของที่ร้านะ่ะขายจนไอ้ของที่วางโชว์หมดเอารู่มาให้ดูมันหมดจริงๆนะขายอะไรขายอะไรวัสดุกาา่อสร้างหมดทั้งร้านถ่ายมาเหมือนห้องแถวเปล่าๆอ่ะเออมันก็มีบุญอัน้สงเกิดขึ้นได้จริงเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองคิดพิจารณาดูแล้วก็ เรื่องของมันเนาะอออันไหนที่เราคนเรามันต้องมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นคนเนาะบางทีต้องมีอะไรผิดพลาดไปเราก็ทิ้งไว้หลังเขาเนี่ยกลับไปเขาบอกว่าอะไรนะคนเราก่อนตายเห็นปะ่ะเขาบอกว่าให้นึกถึงทบุญเนี่ยเหมือนกันเรามาปฏิบัติเราอาจจะมีทําดีไม่ดีทําบุญทําบาปทําอะไรบ้างแล้วก็ทิ้งสิ่งไม่ดีไปกลับไปก็ จำแต่สิ่งดีๆกลับไปนึกถึงแต่บุญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานถ้าเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะยาวก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยใจอันเป็นบริสุทธิ์ขอให้ได้บุญและในอันนี้ส่งยิ่งทำมากเท่าไหร่ขอให้กลับไปยิ่งได้มากเท่านั้นด้วยเถอดสาธุ <c oughs> ต่อไปน้องสุดท้องนะโยมอีกหนึ่งรูปว่าจารย์เคหรือว่าหลวงพ่อเคนวัดนันจนเหนือแต่ก่อนหลวงพ่อเคนไปอยู่วัดนี้ไม่มีความส ง, งบสุขเลยนะโยมบรษาแรกบรรดาสองมึงมาส ง, งบสุขปีนี้เราไปที่วัดมานั่งพิจารณาเอ๊ะทำไมวัดเขาถึงส ง, งบสุขอ๋อมันนั่งคิดไปคิดมาเขาสร้างศาลาสันติสุข คิดไปเองนะเออสงสัยเขามีศาลาสันติสุขมั้ง <_ L an> เข้ามาวัดก็เลยดูสงบสุขขึ้นพอตกเย็นมาตกกลางคืนมาก็ไปนั่งคุยกันหน้าศาลาสันติสุขกันนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีเกิดเหตุนะไม่ทะเลาะกันไม่มีเรื่องไม่มีราวกัน <_ L an> เพราะเขามีศาลาสันติสุขนําพาแต่ความสุขมาอย่างเดียว <_ L an> <_ L an> ไปนั่งคุยกันทุกวันอันิมลจะใช้เวลานานนะหลวงน้องหลวงพี่เริ่มตัวร้อนวูบวาบูบวาบเหมือนนั้นเนี่ย ก็อาตมาอยากจะบอกความในใจจักใจหน้าตาอาตอมาอาจจะเป็นพระที่ดูดูหน้าก้าวร้าวแต่ว่าจะมีความในใจวันนี้บอกให้ทุกท่าน <c oughs> ตั้งแต่มาอยู่วันแรกถึงวันนี้อาตมามีความรักเคยรักพ่อรักพี่น้อง แล้วก็ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ถ้าน่าเกลียดก็ต้องขอโทษด้วยอาตมารักรักพวกโยมทุกคนนะแล้วก็แล้วตอนอย่างเงี้ยไม่น่าเกลียดนะโอหอาตมาเนี่ยรักโยมปู่มากเลยอะอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากทุกเล็พูดออกมาได้อาตมาเนี่ยบอกตรงๆนะอาตมารักโยมปู่มากอะ ถ้าอย่างนี้ไม่น่าเกียดเท่าไหร่อาตมารักโยมทุกคนไม่น่าเกียดนี่รักอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วกอ็อยากจะฝากฝากบอกทุกท่านอีกสองวันอาตมาจะกลับวัดแล้วนะ <c oughs> ก็ทั้งใจรับผ่อนแล้วกัน บุญไดที่ครูบาอาจารย์รวมทั้งพระทุกรูปหวงพัมประเดชพระคุณหลวงพ่อก็ขอให้โยมทุกท่านนึกเอาอยากได้อะไรก็ได้จะทำอะไรก็ขอให้ได้อย่างสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพร